ทรงอนุญาตน้ำอัฐบาลต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกระถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำอัฐบาลคือ 1. นึ่งน้ำมะม่วง 2. น้ำว่า 3. น้ำกล้วยมีเมล็ด 4. น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด 5. น้ำมะสาง 6. น้ำลูกจันหรือองุ่น 7. น้ำเง้าบัว 8. น้ำมะปรางหรือลิ้นจี่ภิกษุกทั้งหลายเราอนุญาตน้ำผลไม้ทุกชนิดเว้นน้ำต้มเมล็ดข้าเปลือกภิกษุกทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำใบไม้ทุกชนิดเว้นน้ำผักดองพิกษุททั้งหลายเราอนุญาตน้ำดอกไม้ทุกชนิดเว้นน้ำดอกมะสงังพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำอ้อยสดคืนนั้นเกนิยะฉะดิน ให้เตรียมโภชนาหารอันประนีตที่อาสมของตนแล้วให้คนไปกราบทูลพัฒการพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัฒตาหานเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศกแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปที่อาสมของเกณิยฉดิน ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เกนิยชดินได้นำของเคี้ยวของฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยมือของตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จห้ามพัตฐารแล้วทรงละพระหัตจากบาทแล้วจึงนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควร พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกนยัชดินด้วยพระคาถานี้ว่ายันพิธีมีการบูชาไฟเป็นประธานสาวิตีฉันเป็นประธานของพระเวทพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานของประชาราชนมหาสมุทรเป็นประธานของแม่น้ํา ดวงจันทร์เป็นประธานแห่งดาวนักสัตว์ดวงอาทิตย์เป็นประธานแห่งสิ่งที่ร้อนฉันใดพระสงฆ์ก็เป็นประธานของทายกผู้มุ่งบุญถวายทานอยู่ฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนาเกณิยชดินเสร็จจึงทรงลุกจากอาสนะ แล้วเสด็จกลับ